กราบถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เสาและหลวงปู่มันถึงเดือนส2สองปีพุทธศักราช2465ัน้้าเประเจ้าที่ลาโยงพ่อแม่ทั้งสองออกเดินทางเพื่อดวงกรรมฐานเดือนสามไปถึงอำเภอท่าบอกจังหวัดนนองคายพักอยู่วัดป่ากับท่านอาจารย์สุวรรณปรยนข้อปฏิบัติกรรมฐานกับท่าน ก้าเพเจ้าพอเข้าใจในข้อปฏิบัติแล้วปฏิบัติอยู่ไปจนถึงปีพุทธศักราช2466ได้เปิดพบท่านอาจารย์หลวงพ่อใหญ่เต๋ากันตัดสีโลพร้อมท่านอาจารย์หลวงพ่อใหญ่มั่นภูริทัตโตอยู่ที่วัดฝ่าบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก็เพเจ้าได้กราบเท้าหลวงพ่อทั้งสองถาวายตัวเป็นศิษย์ ข้าพเจ้าขอญาติเป็นพระธรรมยุทธ์ด้วยท่านหลวงพ่อใหญ่มัน่นรับข้าพเจ้าแต่ให้เป็นศิษย์ญติท่านอนุญาตท่านพูดว่าให้ปฏิบัติอยู่กับพวกผมไปหนึ่งปีก่อนให้ผมได้พิจารณาดูจิตของท่านว่าจะพอปฏิบัติเป็นไปไหมปีหนึ่งก่อนผมจึงจะบอกท่านได้พอตัวข้าพเจ้าได้ปฏิบัติอาศัยท่านหลวงพ่อทั้งสองไป จนเต็มปีหนึ่งแล้วเจ้าพระเจ้าขอถวายตัวเป็นติดท่น า, านพระอาจารย์หลวงพ่อทั้งสองร้อมทั้งถวายตัวของตนให้เป็นเหมือนตัวของท่านหลวงพ่อทั้งสองนั้นด้วยทีเดียวเมื่อท่านต้องการไปทุระสิ่งใดขอให้ใช้ตัวเกล้าวทำแทนหรือไปแทนกล้าวทำหรือไปปิดถูกประการใดขอให้ท่านหลวงพ่อตัดเตือนดุดา่าเขี่ยตี เอาแต่สุดจะมีพระกรุณาแก่กล้าประการใดหากกล้าคื้นดื้อตอบคำก็ดีหรือไม่ไปตามคำบอกให้ไปก็ดีก็ให้เลกล้าหนีจากสานักเลยห้วยความที่กล้ารู้และได้ยินกล้าจำได้มากอยู่แล้วแต่กล้ายังไม่ทำด้วยแล้วแล้วเลยไม่รู้อันจะทำกล้ากลัวแต่จะผิดอยู่อย่างนั้นเร่่าไปและทั้งตัวข้าพเจ้า ขอฤติเป็นพระธรรมยุทธกับท่านหลวงพ่อทั้งสองอีกด้วยท่านหลวงพ่อทั้งสองได้มีความการุณารับคําขอร้องของข้าเพาเจ้าทุกอย่างท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์มัน่นท่านพูดตอบข้าเพาเจ้าว่าเออดีมากทีเดียวที่ท่านต้องการอยากมาให้ผมทั้งสองสอนนี้ผมจะสอนให้ท่านรู้และทําเป็นทุกอย่างเท่าที่ผมรู้มันให้มีใครมาขอถวายตัวเป็นศิษย์ ให้ผมทั้งสองสอนเหมือนท่านสัพองเลยต่อจากนี้ไปท่านลุงพ่อใหญ่อาจารย์เสาถามข้าพเจ้าว่าท่านได้ท่องปฏิโมกข์และนวะโกว่าดแลหรือข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าเปล่าเป็นเนนอยู่กับพระอาจารย์สมุรสีวัดจอมสีอำเภอกุมภาวาปีมาแล้วสามปีได้แต่ฟังพระวินยัยตามหนังสืออุพสิกขาและมหาขัน วินัยมุกจำได้วินัยมาบ้างเท่านั้นการท่องปาติโมกและนวะโกวาดกล่าวยังไม่ได้ท่องเลยท่าหลวงพ่อเสาเลยเอาหนังสือสองอย่างมอบไปข้าพเจ้าไปท่องข้าพรเจ้ารับไปพร้อมกันนวโกวาดข้าพรเจ้าท่องอยู่สี่วันจบปาติโมกท่องอยู่เจ็ดวันจบข้าพระเจ้าเอาหนังสือไปถวายคืนเลย ต่อจากนี้ไปท่านหลวงพ่อทั้งสองก็ได้อนุญาตให้ข้าพระเจ้ายะติเป็นพระธรรมยุทธ์ตอนนั้นอายุได้24ปีพันสามหานิ ก, กายข้าพระเจ้าได้ชีพันสาท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์เสาท่านเป็นผู้ศรัทธาจัดหาเครื่องบริการทุกอย่างให้ข้าพระเจ้ายะติเลยท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์มั่นท่านสั่งให้ข้าพระเจ้าไปหาพระอาจารย์อุ่นมาให้ท่านแล้ว ให้ไปะยะติพร้อม ก, กันกับข้าพเจ้าเสียดังนี้เมื่อพระอาจารย์อุ่นมากราบเ ท, ท้าท่านแล้วท่านหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่มั่นท่านศรัท ธ, ธามอบเครื่องบริการของท่านให้ครูบาอุ่นเลยเมื่อต่างพาการและบริการสมบูรณ์แล้วได้ลาท่านหลวงพ่อทั้งสองเดินทางมาวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดอรธานีกราบเทา้าท่านเจ้าคุณธรรมเจรีจูมพันธุโร ตั้งแต่ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระครูชิโนวาดธรรมรงค์ขอยติ ก, กับท่านเดินสามขึ้นหนึ่งค่ำปีพุทธศักราช2467ท่านหลวงพ่อพระครูอดิตไถเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นพระกรรมวาจาจารย์องเดียวยติแล้วได้พากระลาอุปชากลับมากราบเท้าท่านพ่อทั้งสอง ที่อำเภอท่าบกจังหวัดหนองคายศึกษาและฝึกหัดข้อปฏิบัติกับท่านไปจนได้เกิดความรู้ความฉลาดตามมัษนาของตนจนตลอดห้าพรรษาประสบการณ์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานการศึกษาธรรมะเป็นพิเศษด้านการปฏิบัติภาวนาสมัยนั้นปีพุทธศักราช 2,466 ั24 66, ร้ก็เเจ้าจำพรรษาวัดป่าไผ่บ้านโขนสาอําเภอท่าบอกจังหวัดหนองคายออกปรรษาแล้วเดินกรรมฐ า, านไปกราบเท้าท่านหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตสมัยนั้นท่านกลับจากอําเภอคอําชอีจังหวัดนครพนมท่านนำโยมแม่ของท่านมาพักอยู่วัดป่าบ้านคออําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี เดือนอายก็พระเจ้าไปถึงท่านกราบเท้าท่านแล้วขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเบื้องต้นท่านถามข้าพเจ้าก่อนว่าท่านศึกษาข้อปฏิบัติกรรมฐานมาจากอาจารย์ไหนก่อนข้าพเจ้าตอบท่านว่าศึกษามาจากท่านอาจารย์สุวรรณท่านถามข้าพเจ้าว่าท่านสุวรรณสอนคําภาวนาให้ท่านคาไหนและการเดินจงกรมนั่งสมาธิ ท่านสุวรรณสอนให้ท่านทำอย่างไรเข้าพระเจ้าเรียนถวายท่านว่าท่านสอนให้กล้าวภาวนาพุทโธอยู่แก่ในใจเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านอาจารย์สุวรรณสอนให้กล้าวทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ท่านหลวงพ่อจึงว่าท่านคนราคะจริตภาวนาพุทโธมันไม่ถูกท่านบอกแก่ข้าพระเจ้าต่อไปว่า เอาท่านยกมือขึ้นประนมมืออยู่แล้วเรียนเอาคำภาวนาใหม่กัปปเจ้ายกมือขึ้นแล้วท่านสอนคำภาวนาให้ข้าพเจ้าหมายว่ากายะเพเทังกายะมะระนังมหาทุกขงัง้าปปเจ้าจำได้แล้วท่านให้กำหนดใจภาวนาให้ท่านดูในเวลานั้นเลยขัปะเจ้าภาวนาไปประมาณหนึ่งนาทีกว่า ท่านบอกให้หยุดแล้วถามข้าพเจ้าว่าภาวนาสะดวกและว่าง่ายไหมข้าพเจ้าเรียนท่านว่ามันหลายคำว่ายากภาวนายากท่านจึงให้คาใหม่ว่าเยกุตโชปติกุโลแล้วให้ข้าพเจ้านั่งกําหนดจิตภาวนาถวายท่านดูอีกนานประมาณเท่าเก่าท่านให้ข้าพเจ้าออกอีก แล้วท่านถามอีกว่าภาวนาสะดวกไหมและ ว, ว่าง่ายไหมถ้าเรียนตอบท่านว่าคำนี้รู้สึกว่าง่ายเพราะมันน้อยคำและมันเหมือนว่าพุทโธอีกด้วยท่านจึงบอกว่าให้ท่านภาวนาไปนานๆนนมันจะสะดวกดอกแล้วท่านก็เทศนาสอนข้าพเจ้าไปพอสมควรแล้วท่านก็อสั่งเลิก วันหลังข้าพเจ้ากราบเท้าท่านแล้วจึงถามท่านว่าเรื่องคนภาวนาเกิดเป็นบ้านหนึ่งและการภาวนานานสักปานใดจึงให้มีคําเปลี่ยนคําภาวนาทีหนึ่งท่านหลวงพ่อสอนข้าพเจ้าให้เข้าใจเรื่องที่เรียนถามทั้งสองเรื่องให้ข้าพเจ้าจนแจมแจ้งเลยวันหลังข้าพเจ้าสงสัยเรื่องการปฏิบัติสี่ของพระผู้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าเข้ากราบเท้าวท่านอีกเรียนถามท่านว่าพระผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติสิ่งได้ตามแบบไหนหนอดังนี้ให้ปฏิบัติศิ่งตามแบบหนังสือบุปผสิกขาและมหาขันิหรือหรือปฏิบัติศิ่งในแบบหนังสือพระวิสุทธิมัสนั้นประการใดหนอท่านหลวงพ่อบอกข้าพเจ้าว่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามทั้งสองแบบนั่นแหละ สิ่ท่านบัญญัติไว้ในหนังสือบุพสิกขามหาฐานนั้นเป็นชิมัสีหนึ่งเป็นมัชชิมัสีหนึ่งศี่ในหนังสือพระวิสุทธิมักนั้นเป็นศิลใกล้ต่อระยะกันสติเป็นสิล อ, ตตสอันพระองค์อธิบายเข้าไปหามาขนเป็นสิันละเอียดกว่าการดังนี้เท่านั้นแหละและต่อไปนี้ข้าเพเจ้าขอยืนหนังสือบุพภิกขา กับท่านไปดูให้เข้าใจชัดเจนด้วยตนเองแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นแต่ฟังพระอื่นเทศเมื่อข้าพเจ้าดูเข้าใจและสงสัยในสิกขาบทไหนข้าพเจ้าเรียนถามท่าหลวงพ่อไปจนหมดสิกขาทุกบทข้าพเจ้าดีใจเพราะได้เข้าใจศีลอันเป็นรากเหง้าของพระศาสนาดังนี้ต่อไปข้าพเจ้าตั้งใจศึกษา ทังด้านปฏิบัติภาวนากับท่านเรื่องคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอัปนาสมาธิตลอดขั้นมรรคผลกับท่านอยู่ในระยะห้าปีเข้าใจแจ่มแจ้งจนซึ้งสงสัยในการปฏิบัติภายนอกท่านมอบหนังสือปฏิโมกและหนังสือนวโกวาาให้เป็จท่องให้ท่องพร้อมการไปเลยนวโกวา่าก็พระเจ้าต้องอยู่ สวันสี่วันจบปฏิโมกขข้าพเจ้าท่องอยู่หกวันวันที่เจ็ดบ่ายหนึ่งโมงข้าพเจ้าท่องจบอีกเอาหนังสือไปส่งท่านลุงพ่อทั้งสองชมข้าพเจ้าเป็นการใหญ่เลยว่าเป็นผู้ตั้งใจจริงๆรดงดังนี้เป็นต้นในระยะ5ห้าปีที่ศึกษาฝึกหัดปฏิบัติภาวนาข้าพเจ้าสิ้นสงสัยในธรรม เป็นแต่ขพเจ้าทำจิตให้เป็นไปยังไม่ถึงเท่านั้นข้พเจ้าจึงได้ตั้งใจปฏิบัติมาจนตลอดการบัดนี้ถึงปีพุทธศักราช2471ท่านในขพเจ้ากับท่านอาจารย์ปั้นก็อยู่กับท่านอาจารย์สิง์ขันตยานโมและท่านอาจารย์มหาปิน่นปัญญาพโลเพื่อช่วยในการเผยแผ่พระศาสนา ข้าพเจ้าได้เป็นขนาจารย์สอนหมู่ชั้วครูบาอาจารย์มาแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ปริยัติธรรมเป็นแต่รู้จักที่ครูบาอาจารย์สอนและพอนาเกิดรู้ขั้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอสอนหมู่ชื่ออาจารย์ได้บ้างเท่านั้นแล ก, การสั่งสอนข้าพเจ้าสั่งสอนไปก็มีอาจารย์ผู้ที่เคยเรียนรู้สึกไปเป็นค้ารือหัด มาถามธรรมะกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าแก้ความคล่องใจของเขาให้เข้าใจให้ธรรมะแขียแจง้งเขาก็ชมข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ว่าสมกับเป็นผู้ปฏิบัติรู้จริงเพราะไม่ได้เรียนประยธรรมเลยตอบปัญหาแก้ความคล่องใจได้ดีมากๆเปรียบเหมือนมหาก้าประโยชก็จะไม่ทันชนี้ในโอกาสการประชุมวันหนึ่งตัวข้าพเจ้าได้ขอโอกาสกราบเปียน เรื่องการปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์ใหญ่หลวเพ่อมั่นว่าตามที่กล่าวให้เคยเห็นอาจารย์ต่างๆสอนกันมามีหลายแบบมีการสอนธรรม40ห้องสอนธรรมคือขรัรนาพระไตรปณคมรัตนาพระไตรรักสอนธรรมปีติครูผู้สอนเขว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์ดังนี้เป็นต้นธรรมที่เขาสอนกันนั้นทั้งหลายนั้น เป็นธรรมะอันพ้นทุกข์กันทั้งหมดหรือประการใดพระอาจารย์ท่านจึงย้อนถามตัวข้าพเจ้าว่าท่านเห็นเขาสอนกันมาเป็นอย่างไรเล่าข้าพเจ้าเรียนท่านว่าธรรมะอื่นข้าเรียนว่าคนนิยมกันว่าดีเป็นบุญใหญ่กันไปเท่านั้นไม่เห็นมีแปลกอะไรและม่แปลกอยู่ก็แต่ธรรมะปีติที่ครูผู้สอนเขาว่าเป็นธรรมะพระอารหันต์ี่แหละเขาเรียนกัน มีเกิดเป็นบ้ามีตัวสั่นเ้นบางคนมีกระโดดโลดเต้นตึงๆต่างๆปากพูดสู้ตีสู้ตีพูดไปทั่วต่างๆนานาปฏิบัตินา น, านไปมีคนกล่าวว่าเป็นบ้า ก, กันไปก็มีก่อนจะเข้าเรียนกับครูเขาเตือนกันให้ผู้รุกติต ท, ที่จะเข้าเรียนนั้นให้แต่งเครื่องทุบเทียนให้ได้กลัวละมากๆแดะกาหนดน้าหนักของที่พ้นด้วยเพื่อจุดบูชาและ เพื่อยกครู ด, ด้วยแล้วครูอสอนเขาสอนให้ผู้ศิรษะภาวนาบริกรรมว่าสัมมา อ, า ร, หหาอารหังนี้คําหนึ่งว่าอรหังนี้คําหนึ่งแล้วครูแนะให้ผู้ศีรษ์ของเขาค้นหาวัดหกกก้าสีมาแฝดข้อนอกแม่นอกข้อไหนแม่ในอุปชาอาจารย์สวดขวาซ้ายนอกอุปชาอาจารย์สวดขวาซ้ายในเป็นต้นคือวิธีปฏิบัติ ทางวัดอีกแบบหนึ่งมีผู้นิยมปฏิบัติกันอยู่ทางภาคอีสานนี่เขาว่าเป็นธรรมะอะไรกอรับปฏิบัติไปหรือผู้ปฏิบัติจะเป็นการค้นทุกข์หรือไม่พระอาจารย์ใหญ่ท่านยกคําถามของข้าพเจ้านี้ขึ้นเป็นอุเทศเป็นหลักฐานให้การเทศนาของท่านว่าเรื่องธรรมะของท่านถามดังนี้ท่านพระอาจารย์เสากันตัสีระเถระ ท่านได้เรียนจากครูต่างๆมามากผมเพื่อปฏิบัติมาพบกับท่านผมรู้ผมมาแก้ท่านมาอยู่สามปีพระอาจารย์ท่านจึงตกลงเห็นด้วยผมที่ได้เลิกสอนธรรมะต่างๆมาเวลานี้จึงได้สอนกันแต่ให้ถึงไตรชนกคมกันเท่านั้นตามแบบเดิมของพระองค์สอนกันสืบมาอยู่เท่านี้เพราะธรรมะอื่นพวกอาจารย์สอนกันมานั้น ชอนกันเพื่อเป็นการหลอกลวงคนผู้หวังเพื่อเป็นทางหากินของอาจารย์ผู้สอนกันทท้งนั้นและแบบของพระองค์สอนพวกผู้ติษ์ที่เป็นสาวกเข้ามาบวชในพระศาสนาของท่านก็มีแต่ท่านสอนให้ถึงพระไตรณนงคมกันเท่านั้นเช่นมู้พวกเราบวชกันมาก็มีแต่ขอถึงพระไตรณนงคมกันเท่านั้นก็เป็นว่าเป็นผู้ควรแก่ปฏิบัติพระธรรมอุัย ให้สมบูรณ์พ้นทุกข์กันได้แน่นอนธรรมะปีติที่ท่านว่ามีอาจารย์เขาสอนกันนั้นครูผู้สอนเขาสอนการเป็นต้นมานั้นเขาอยู่จังหวัดสุรินทร์เขาเป็นข ร, รุขระสอนกันมาเป็นบ้าทั้งมากเมื่อรู้สิกเป็นบ้าแล้วอาจารย์เลยไม่รู้จักแก้ไขลูกศิษย์ให้หายได้เลยธรรมะปีติจะไปเรียนไปขึ้นขอรัตนเอาเองได้อย่างไรเพราะปีติมันเกิดจากภาวนา จิตรวมลงเป็นสมาธิต่างหากเมื่อไม่รวมแล้วใครจะไปขอรอ้องรัตนาให้ปิติมันเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ปิติมันก็ไม่เกิดขึ้นมาให้ดอกสุดท้ายท่านอาจารย์จึงว่าท่านถ้าหากผู้หมู่ปฏิบัติอยู่กับผมไม่ต้องให้กลัวเรื่องมันจะเกิดเป็นบ้ากันเลยถ้าหมู่เป็นผมรับรองแกให้หมู่หายได้แต่หมู่เชื่อผมเตือนมันจึงจะหาย ก็เราภาวนาจิตรวมเกิดมีความสบายปลอดโปร่งดีอยู่และเกิดความรู้เห็นอะไรใจก็รู้ชัดแจ่มแจ้งเมื่อลืมตาเห็นรูปใจก็รู้รูปแจ้งชัดอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นบ้าอะไรกันเหตุนั้นจึงให้หมู่ปฏิบัติไปเถอะใจจะได้เปลนไปเพื่อความค้นทุกจริงแน่ทีเดียวอันใจเป็นบ้านนั้นเมื่อปฏิบัติไปใจเกิดไม่สบายนีการประวนประาย เป็นเครื่องบอกว่าตัวเกิดเป็นบ้าขึ้นมาเช่นนั้นได้ตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองว่าเป็นบ้าตัวก็ต้องละ ก, การปฏิบัตินั้นเสียมาจับอยู่กับภาวนาเอาจิตจดจ่ออยู่กับคํามภาวนาบริกรรมภาวนานั้นไปไม่นานความกระวนกระไวที่เกิดเป็นบ้านนั้นมันก็จะหายไปใจมันก็จะสบายขึ้นมามันจะมีอะไรมาเกิดให้เราเป็นบ้าอีกเมื่อมันยังไม่หายอยู่ ก็ให้ยกคำี่ปตนาขึ้นมาตัดมันว่าสัพเพสังขาราสัพเพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพเพสัญญาทุกขาสัพเพสังขาราสัพเพสัญญาอนัตตาสามคำนี้จะเอาคำใดคำหนึ่งขึ้นมาภาวนาจะเอาหมดทั้งสามคำนี้ภาวนาไปเลยก็ได้จะเอาคำภาวนาขึ้นมาตัดลมอาการเป็นบ้า จะหาผขาดไปเลยความจะเป็นบ้าอยู่ในใจมันตั้งอยู่ไม่ได้ดอกดังนี้ท่านได้เทศนาไปมากตัวข้าพเจ้าฟังได้หลักทางปฏิบัติอย่างสําคัญใหญ่หลวงเลยเรื่องนี้ขอยกเอาไว้อธิบายตอนหลังที่ข้าพเจ้าได้แสดงแก่พวกอาจารย์ทั้งหลายต่อไปข้างหน้าและท่านอาจารย์ก็สั่งเิกประชุมกัน